วันนี้จะแบบสรุปธรรมสุขสัมภารเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าพวกเราที่เข้ามาบวชเป็นส ท, ที่สุตสามเนรต่างคนต่างตั้งใจเข้ามาด้วยศรัทธาแต่สาธัคือความเชื่อความเล็นใสเมื่อมาบวช เป็นราที่สุดสามมาเนนแล้วให้ทากันมีสมณะสัญญาคือความรู้สึกตัวอยู่สม่ำเสมอว่าเราเป็นพระหรือเป็นเนรเครื่องนุ่งหม่มตลอดถึ้งที่อยู่ที่อาศัยไม่เหมือนที่เราอยู่เป็นคารวะอาศัยท่านผู้อื่นให้มาทางนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ความเป็นอยู่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างทาาหากมีสมณะสัญญาคือรู้ว่าเราเป็นนักบวชการปฏริบัติของนักบวชเป็นอย่างไรเราจะต้องทิ่นิพิจารณาตัวของเราพระพุทธเจ้าที่เป็นครูหรือแมน้ยสอน โลกมาครูบาอาจารย์ที่ประชาชนทั่วไปเยื่มใสศรัทธาท่านต่อทุอย่างไรตัวของเราที่บวชเข้ามาในศาสนาเราจะต้องที่นิกทจรณาตือสอบกาปรปฏิบัติของเราอยู่สม่ำเสมอไปเห็นเรื่องใดที่เป็นจริง ไม่ดีได้ยินอะไรสิ่งเป็นสิ่งที่เขาติดสินงินทาเรื่องของครูบาอาจารย์หรือที่สุตานมาเนนองอื่นเราจะต้องมาคิดทบทวนงวนกลับถึงตัวของเราเสมอว่าการที่เขาติดสินงินทาคนนั้นเพราะเขาทำอย่างไรถ้าเราทำไปอย่างเขาเราจะเป็นอย่างไรเราชอบไหมการติดสินงินทา ถ้าหาเราไม่ชอบเราก็ควรเว้นไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องเอาอย่างของคนชั่วมาใส่ตัวของตัวเพราะถ้าเราเอาส่วนชั่วของคนที่เขาติดสิงินทามานําพาปปฏิบัติจะเราเองก็จะถูกเขาติดสิงินทาเหมือนกันอย่างนั้นเมื่อเขาสั่งไลเสิคนอื่น เตุ ส, สามาเนนองคอื่นหรือครูบาอาจารย์ผ่านนักปฏิบัติที่ดีเด่นเป็นอย่างไรเราจะต้อง <c oughs> ทิมนิพิจเรนานำมาสอนตัวของเราอีกเหมือนกันเพราะที่เขาสแสดงเสริญจะต้องมีเหตดผลที่เขาเนินยมเชื่อถือเรื่องใสผ่านตัวชุดอย่างไรเราจะต้องนำมาทีนิพิจเรนา ดัด ก, กายวาจาใจของเราให้ตั้งหน้าตัางตาปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อเราทุกคนมีสมณะสัญญารู้ว่าเราเข้ามาบวชด้วยความศรัทธาเลือมใสเราจะต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นจะปล่อยจิตให้ลอยลมอยู่ตลอดการตลอดเวลาดีอย่างไรชั่วยอย่างไรไม่คานึงคานวณทิ้งสัวอยู่ในวัด แล้วกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นทางที่พอจิตพอใจหรืออยู่ไปเพื่อหาทางออกหลายวันสองวันปีสองปีหรือวรัู่สัวขา่าวแล้วก็ออกไปแต่การมาอบรมการมาบ่มนิสัยการมาฝึกกายฝึกใจของเราเป็นอย่างไรถ้าหากว่ที่สูจร์มานะเนนทั่วไปบวชเข้ า, า, ขามาในพระศาสนาไม่ตั้งหน้าศาึกษาไม่ตั้งหน้า ประเภปฏษษิบัติเข้ามาอย่างไรออกไปยิ่ ง, งโง่ยิ่งที่เกียที่ข้าน <c oughs> ในการงานต่างๆในเชื่อฟังคำของพ่อของแม่หรือคูเท่าคูแย่ที่แม่สอนเป็นคนหัวดื้อจองของเมื่อเป็นเช่นนี้ประชาชนคนอืน่นที่มีลูกมีหลานจะมาฝาก เรียนเขียนอ่านหรือจะมาฝากประพฤิปฏิบัติเขาจะยินดีพอใจไหมยอยู่กับเขาเป็นคนดีเมื่อเขามาวัดมาวามาอบรมกับครูบาอาจารย์จะกลายเป็นคนชั่วไปเสียเขาก็ไม่อยากให้เขามาไม่บาดเขาไม่่าเราเป็นอย่างนั้นเดือนั้นเราถึงเป็นผู้นำของทายกทายิการํำพระพุทธศาสนาถึงสืบสอบตัวของตัวอยู่สม่ำเสมอวันเวลาที่ผ่านไป เราได้ทำอะไรซึ่งเป็นทางที่ดีเป็นเครื่องอุ่นจิตอุ่นใจของเราไว้ถ้าหากเราไม่ได้ทำอะไรเราจะเกิดทางกินแหนงแทงใจเพราะการบวชเข้ามาคีวิของนักบวชเป็นอยู่ดว้วยคนอื่นทางนั้นที่อยู่ที่อาศัยที่เขาสลากให้คุญแจบริหารผูกพับเบาหมอนต่างๆ ต, งตลอดทุกอย่าืที มีอยู่ในวัดเขาไม่ได้คิดเอาคาจ้างรางวัลหรือคาเช่าอะไรจากพวกเราเขาคิดอยากจะได้บุญอยากจะได้กุศลจึงอุตส่าห์สระางับของคนออกมาก่อสร้างให้แต่เมื่อเรามาอยู่มาอาศัยไม่ประกอบไม่ได้ประกอบคุณงานความดีอะไรมีแต่บวชโทรมาแล้วก็เล่นเชินกันอยู่ความสงบสงัดไม่มีกาปรปฏิบัติ เ, เดินเดินกลมภาวนาไม่มีเมื่อฉันเสร็จก็นอนเติมซึ่นกอดห้าอยู่ห้าจิ้นนึก ค, คุยกันไปทำอย่างนี้ประชาชนทั่วไปเขาจะต้องเสี่อมศรัทธาไม่ยินดีไม่เลือ่องใสไม่พอใจเหตุนั้นเรื่องการตีดจินเนินทาพาพระหาของเขาในสถานที่ต่างๆเพราะใช้เจ้าใช้สงศิสุสามาเนนในวัดนั้น เดล่วนใหญไม่เอาใจใส่ในขอวัดปฏิบัติไม่ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีเด่นแก่เขาเขาไม่พอใจเขาจึงไม่เลื่อนใสเขาจึงนำไปสีสินินทางหากเราทุกคนรู้ว่าเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาะคำสอนของพระพุทธเจ้านิสัยว่าจะมีเพียงที่เรารู้เราเห็นเท่านั้นดังเนของสุขุมละเอียด ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติฝึกขัดจิตใจจริงจังจะต้องได้รับความสุขความเจริญทางใจเป็นที่เด่นฐานเดนสามารถข้ามพ้นไปจากมิเลยตัญหาไดา้ดจิตใจเด่นดวงอยู่ทุกการทุกสมัยไม่มีสมมติใดที่จะเข้าไปเชือกแผงในจิตที่บริสุทธิ์ของท่านเมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านจึงมีความสุขความเจริญอยู่ทุกการทุกเวลาจะอยู่ในป่าในถ้ำหรือจะอยู่ในวัดในวาในหมู่ในคณะถึงคนอื่นจะเป็นอย่างไรแต่ตัวของท่านไม่มีการเต่าการใส่ไม่มีการดีการชั่วกับเขาท่านเป็นผู้ี่เศษเหนือสมมติอยู่อย่างนั้นเพราะท่านตั้งหน้าตั้งตารักษาประพฤติปฏิบัติของท่านตั้งแต่แรกที่เข้ามาบวช ท่านคงอุตสาห์พยายามประสิทธิอข้อวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างจึงที่ชั่วที่ตาได้เห็นหนูได้ยินนํามาสอนกายสอนจิตของท่านไม่ให้ทําไม่ให้ขูดไม่ให้คิดจึงที่ดีที่จะนําความสุขความจเจริญมาให้ที่ประชาชนทั่วไปเกิดความเชื่อความเลือนน่อนใสท่านนํามาประสิทธปฏิบัติจนจิตใจของท่านเอง กอพอใจในขวาวัดของท่านในการปฏิบัติของท่านเรื่องใจในตัวของท่านไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะําหนิดติตนว่าตัวใดคิดชั่วทําชั่วหรือปวดชั่วแม่แต่คณะเดียวเช่ดนั้นเราทุกท่านที่เข้ามาเข้ามาต้องปฏิบัติในพระศาสนาหากว่าทุกท่านตั้งหน้าตั้งต า, งตางปฏิบัติรักษาทำงานความดีจริงจังาศาสนา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 คิจะถึ่งพาสายคนอื่นอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีวันไม่มีเวลาที่จิตของเราจะก้าวหน้าไปสู่ความจเจริญลุกเรียงได้เพราะเหตุว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ของท่านนิจใจว่าจะเป็นหูเป็นตาเป็นกายเป็นใจไปเปิดเปฏิบัติให้ลูกจิตลูกหาเหตุนั้นในช่างทุ้แทการสมเด็จศาสดาอาจารย์ของเราจึงสอนเทวทัศน์ด เ็รทวทัตเขาปฏิบัติไต่อย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าหรือเหล่าอริยะสาวกปฏิบัติไต่อย่างหนึ่งเหตุนั้นคนทั่วไปในต่างจังหวัดหรือในทุกประเทศที่นักถือพระพุทธศาสนาซึ่งชื่อว่าเทวทัแล้วเขาไม่พอใจในเลื่อมใสไม่ยินดีเพราะเทวทัตปฏิบัติชั่วไม่เชื่อฟังคําแนะนําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ย yeah. ุ่แย่จิตสู่สามเนรให้แตกลาวสามกีกันและมีการอิจฉาพระศาสดาเนถึงว่าจะประหัสประหารให้ตายแต่กรรมดีของท่านยังมีอยู่เทวทัตทําร้ายร่างกายของพระพุทธองค์ไม่ได้เราที่เข้ามาสู่ภาะศาสนาจะเอาเทวทัต เป็นศาสดราหรือจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาให้คำนึงทนวนถึงเรื่องกายบายจาจใจของเราหาเราจะปล่อยเอาไว้แล้วแต่คนอื่นจะแนะให้สอนให้ตนเองไม่ได้ที่นี้ที่จะไรนะแก้ไขส่วนช่วงของตัวออกไปความดีเป็นอย่างไรที่ท่านแนะสอนก็ไม่ได้เอาเข้ามาสู่กายบายจาจใจท้องตนควรเช่นนั้นจะบวชอยู่ในวัดแตสิบปี ยี่สิบปีหรือร้อยปีกว่าต่งางก็ไม่มีวันเวลาที่จะทําหน้าที่ของตนให้ได้รับความสงบสงัดหรือเปล่าเนี่ยในทางปฏิบัติไปสู่ความผานจากที่เลียดได้เรียดนั้นการบวชจึงเป็นของสําคัญหน้าที่ของนักบวชมีอย่างไรเราจะต้องตั้งใจจะ ท, ำำทํามําเพ็ญตามหน้าที่ของนักบวช เราเลิกเนิ อ, อยู่สม่าเสมอว่าชีวิตของเราทุกลมหายใจเข้าออกอาศัยชาวบ้านคือการขบการฉันการนุ่งการหม่มการอยู่การอาศัยอาศัยคนอื่นทั้งนั้นเมื่อเราทําไม่ดีก็จะเป็นหนี้สินของคนอื่นที่เราเอามากินมาชาถ้าหากเราทําดีพอเหลือจากตัวไป แตจะได้ตัใช่มี่แทนชิมของบุคคลผู้อื่นบุคคลใดคำนึงคำนวณซึ่งตนอยู่สมันเสมอการบวชเพื่อจะให้จิตใจของเราละชั่วบาเพ็ญดีให้มีความสงบสงัดของใจปัะสิทธตัวเชื่อความค้นใจจัดวิเลียนปันหาไม่ใช่แบบมาบวชนอนเล่นอยู่อย่างหมูเมื่อเรารู้เราทีนพิจารณาอย่างนี้ มีสติตรวจสอบใจของเรามันคิดไปอย่างไรเป็นธรรมยืดเป็นอธรรมมีปัญญาที่นิจรารณาอยู่เสม อ, มอการปฏิบัติที่จะไม่ให้ก้าวหน้าเป็นไปในดัานคนที่ปฏิบัติมาถามว่าเป็นอย่างไรจิตใจทัวันนี้ในรู้มนเห็นเป็นอย่างไรนั่นคือพูดถีไม่มีสติไม่มีปัญญา ไม่คิจะรณ า, าเรื่องของตนเองทำกดตัดแต่วาดทำเดินจงกรมก่อนเป็นจิริาหนังภาวนาเป็นจิริยาไม่ได้เอาสติเอาไปเจ็บจอในการภาวนาหรือในการจัดทาของตนจะบริกรรมกับริกรรมไปได้ทำสองคำหรือนาทีสองนาทีปล่อยจิตเพิดเทิเทนหนีไปสู่ต้ญ้าอารมนันอีก <c oughs> แต่การออกไป จะเป็นเวลามากน้อยกับทวาย ไ, ไม่ได้คำนึงคานวณซึ่งพอเหน็ดเหนื่อยปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวขึ้นมาก็าเลยว่าเราภาวนาพอต้องส่วนแล้วหลับกันเสี้ยนอนกันเสี้ยนี่ไปที่อื่นเสี้ยเมื่อเป็นเช่นนี้จะทําอยู่ร้อยปีก็ไม่มีวันมีเวลาก้าวหน้าแล้วในรู้จักไหวใจมันออกไปสู่สัญญาอารมณ์อะไรใจที่ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวาย สุ้งซ่านลำคาญอยู่ทุกการทุกเวลาเพราะอะไรเป็นเหตุทำจิตทำใจคองสนให้กวนกวาดอย่างนั้นไม่รู้จักสาเหตุที่ ท, ำทํำจิตทำใจคลองสนให้กวนกวาดจนเลยไม่มีวันมีเวลาที่จะห้ามกันเรื่องที่เลสปัญหาเรืร่อเรื่องความเฉื่อยช้าลามกต่างๆได้ หากผู้ใดมีสติสืต่อมีปัญญาพิ่จเจรณญาจิตที่มันคิดออกไปเป็นอกุศลหรือกุศลอย่างไรเป็นธรรมหรือเป็นอาธรรมอย่างไรรู้หน้ารู้ตาของมันว่าความคิดชนิดนี้เป็นทางสี่นำความไม่ดีมาสู่ตนเองทางไม่ดี ท, ดทุกคนย่อมไม่ชอบสิงไม่ดีทุกคนย่อมไม่กลาแนะแต่เท่าว่าไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะไม่ได้ชนิดที่ทจเจรนะิญนา ได้ปล่อยใจไปทังคมเสียไปเกี่ยวข้องเสียความเดือร้อนจึงเกิดขึ้นถ้าหากเรามีสติหรือวลาจิตของเราเลือกทิศอย่างไรเป็นธรรมหรือเป็นอธรรมเข้าใจในเวลาที่ส่งออกหรือจิศออกไปเพราะสติเกิดจอต่อตั้งอยู่เพราะปัญญาคิดวิจารณาอยู่ว่าสิ่งนี้เป็นของไม่ดีเราก็จะต้องทิ้น ต้องปลอยอารมณ์ น, นั้นถ้าหากเป็นสิ่งที่ดีควรจะเกิดสติควรจะเกิดปัญญาควรจะเกิดวิชาความรู้ควรจะทําตัวท่องตัวให้เป็นคนเฉลียวฉลาดต่อไปหรือคิดเท่าไรจิตใจยิ่งละเอียดเยียดเย็นเข้าไปเพราะอารมณ์ที่เราคิดเป็นธรรมสำระเรื่องชั่วจากตัวของเราสิ่งที่ไม่รู้ก็เกิดรู้ขึ้น ที่ไม่ใช่สงบพอสงบไปเมื่อเราคิดได้อย่างนั้นอารมณ์ส่วนนี้เป็นอารมณ์ที่ดีเราก็ารีบติดตามเรื่อยเล่จะทําบำเพ็ญเรารักษาส่วนที่ดีเอาไว้ส่วนที่ชั่วเสียหายเรากําจัดออกไปถ้าหากเราทุกคนมีสติสืบสอบมีปัญญาที่นิจจาราอย่างมีสมาธนะ์สัญญาอยู่สม่าเสมอเวลาเราบวชเข้ามา ชำระความชั่วบำเพ็ญความดีเมื่อเราคิดได้หรือเราปฏิบัติตามทางธรรมยีไหนที่พระพุทธเจา้าแนะนำสอนเอาไว้ใจของเราทุกท่านจะมีความเยือกเย็นสงบสงบการคิดติดตามเรื่องอันอื่นที่ไม่เป็นสาระประโยชน์เมื่อปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นทางเสียหายเราต้องฝัดตัวทีเดียวเหมือนอสสารเทศ ถ้าหากให้มันขบกัดเมื่อใดเราจะต้องได้รับบาดแผลหรือได้รับความเจ็บปวดแท่ประดาตายหรือตายไปเราจะกล้าไหมไปจับบาดรายจิตเป็นอัจฉริยะีจิต ข, ของเราไม่รู้เพราะปัญญาไม่ ส, ส, สืบสอบเพราะสติไม่มีสอยแต่จังกมกับอารมณ์สัญญาที่เป็นส่วนอัจฉริยจิตของเราจะได้รับความเดือดร้อนวุ่นวาย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 ถ้าพุทธเจ้า ก, ก็ไม่ปฏิเสธเพราะการอยู่สถานที่ใดจะต้องมีการรักษาสถานที่มีการปัดการกวาดการทำความสะอาดพื้นหลุงของห่มต่างๆแล้วก็มีการจัด ก, การปอกไม่ได้ปล่อยทิ้งไปแต่ถ้าว่าการสลดใจเป็นพุทธะไปสองอย่างนการสร้างขึ้นเองสร้างขึ้นได้ ดานวัตถุทางหากจะเสียดพวกอยู่ในสถานะในควรจะพากันเพิดเพืนไม่ยินดีจนเกินไปพออยู่พออาศัยได้ก็ อ, อยู่กันไปไม่ต้องสร้างให้ใหญ่ให้โตหนักหนาสักท่าไรการสร้างใจเป็นพุทธไปทรงที่จะควสร้างให้ใหญ่ให้โตเพราะการสร้างใจ เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดถ้าหาผู้ไม่มีความขะยันหมั่นเพียรจริ ง, รงสร้างชืนไดยากมีเงินมีทองมีเถ่า ม, ามีของจะสร้างจิตสร้างใจท้งตนให้รับผลคือความสุขอยู่ทุกการทุกเวลายอมอยากหนักยากหนาส่วนที่อยู่ที่อาศัยเรามีเงินทองเ่าขอ ง, ของสร้างเอาได้จะสร้างใหญ่สร้างโตสักเท่าไรก็สร้างได้ส่วนสร้างจิตใจเรามองข้ามไปเสีย แต่ความจึงเรื่องจิตใจเป็นของสำคัญกว่าเรื่องด้านวัตถุภายนอกเพราะจิตใจเราได้อาศัยอยู่ทุกการทุกเวลาถ้าหากจิตใจของเราขาดคุณค่าจิตใจของเราวิบัติจิตใจของเราห่วเง่าเต่าซุ่นจิตใจของเราเดือดร้อนที่อยู่ที่อาศัยจะใหญ่โตและโหดฐานสักเท่าไรก็ไม่มีความสุขใจอยู่นั่นเองเหตุ น, นั้นการสร้างใจ จึเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านที่มาต่อพิสิปฏิบัติจะต้องพากันคํานึงคํานวณและแนะสอนเจ้าของให้ต่อพิสิปฏิบัติใน้สร้างทางจิตทางใจสำระสิ่งที่ชั่วที่ยั่วยวนให้ร่มหลงบำเพ็ญสิ่งที่ดีให้เกิดให้มีขึ้นเพราะสิ่งที่ดีที่ชั่วรวมอยู่ในหัวใจของเรา ไม่ได้อยู่สถานที่อื่นจินเลยมีอยู่ในสถานที่ใดมัดขนซึงจนเสื่องตรงกันข้ามก็ต้องอาศัยอยู่ในที่นั้นเหมือนกันกับป่ามีอยู่ในสถานที่ใดถ้าหากเราถางป่าออกไปควมำลงถงก็จะเกิดขึ่นจากที่นั้นถ้าเมื่ออยู่ในสถานที่ใดความสว่างก็จะต้องมีอยู่ในสถานที่นั้นถ้าหากเรามีปัญญาทาความสว่างสึดดได้ มี่จิตใจของเราที่มืดห น, นาสาโหาดเบื่อที่เหลือปัญหาก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาแนะสอนำจดของเพราะว่าเราไม่มีสติมีเรื่องที่จิตไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความชั่วเราจึงมีความลุ่มหลงหรือมีความกวนกระวายมีความทุกข์ทางใจอยู่ทุกการทุกสมัยใส่แล้วเรื่องความสุขของใจผู้ที่ชำระสระสังได้ผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจริงจัง มันไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นมีขึ้นจากหัวใจที่งโงงๆนี่แหละจะกลายเป็นหัวใจที่สลาดขึ้นความฟุง้งซ่านรามคานี่แหละจะทำให้สงบสง บ, สงบขึ้นพเพราะการแก้ไขเหมือน ก, นกันกับความมืดมีอยู่ที่ใดถ้าเราตามไปเบืองใหญ่ขึ้นสะบางออกไปหมดความมืดเราไม่ต้องบอกว่าเอ้า เองอย่ามาอยู่ที่นี่หนีไปที่อื่นเสียไม่ต้องบอกถ้าหากเรามีทําประจำตัวของเราเหมือนกันสติมีปัญญามีความไขว้คิดที่นิพพิจารณาทำเรื่องของอารมณ์สัญญาที่เคยมาเป็นขาดสิทธของเราทําใจของเราให้เดือดร้อนทําใจของเราให้เศรา้าหมองทําใจของเราให้งวงง่าวย่าปุ่มจะหายไปเพราะเหตุใดเพราะเรื่องของสติเรื่องของปัญญาจะต้องกําจัด ความโง่เง่าเตา่าตุนเหล่านั้นให้หายหน้าหายตาไปได้ดเหตุนั้นเราทุกท่านที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาหน้าที่ของนักบวชเป็นอย่างไรที่เขาันไล่เสืเนเอนยนยอจูบาอาจารย์เขาจะไล่เสืเนเอนยนยอเพราะท่านโง่เพราะท่านที่เกียดเพราะท่านไม่ตั้งหน้าตั้งตาต่อเพื่อปฏิบัติหรือเขาจะไล่เสือนเพราะท่านเป็นผู้เฉยสละ มีข่าววัดปฏิบัติดีมี ส, สติปัญญาดีมีความรู้ความฉลาดดีเขาจะต้องสั่งเสริทางดีทางชั่วไม่ว่าเขาว่าเราจะต้องติสินินทางเพราะความชั่วไม่เป็นสิ่งที่ปา่าเถรนะเมื่อเป็นเช่นนั้นเราที่จะ่พิกอยู่ปฏิบัติอยู่จิตใจของเราอย่างนี้เป็นจิตใจที่ชั่วหรือเป็นจิตใจที่ดีถ้าชั่วทาไมเราจึงไม่สลั หรือว่าการปฏิบัติของเราสมบูรณ์พลุกทุกอย่างแล้วถ้าหากสมบูรณ์พลุกทุกอย่างเราจะต้องหลีกเลีความเยือกเย็นเป็นสุขในตัวของเราคนอื่นเขาเห็นเข้าควรจะต้องเกิดความเชืความเย็นใสกายของเราทําไปวายจาของเราพูดไปจะต้องมีเหตุผลให้บุคคลผู้อื่นรู้ หรือเข้าใจได้นี่ถ้าหากเราไม่สืบสอบตัวของเราก็ไม่รู้ว่าตัวของเราเป็นคิดเป็นไทยอย่างไรใจของเราเลื่อมใสในตัวของเร า, เราหรือไม่ในการผพฤตปริบัตตวันคืนผ่านไปปีเดือนผ่านไปความจเจริญสลาดความดีทวีคูณขึ้นหรืออะไรเพิ่มพูนในใจิตในใจของเราจิตที่เพิ่มพูนจิตใจก็จะใจแตไข่ ใจใปคิดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากไม่มีเหตุผลก็ไม่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นแก่ตนที่ตนของ็นไม่ชอบใจไม่ยินดีในเหตุที่ชั่วเราไม่ยอมละเราไม่ยอมปล่อยใจะให้ความดีมันเข้ามาได้อย่างไรถ้าหาเราปล่อยความชั่วนี้ไปสร้างเอาความดีขึ้นไว้จิตใจของเราจะต้องได้รับความเยือกเย็นความสุข ความสบายนี่เป็นเรื่องของเหตุของผลในทางพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรอื่นที่จะทำเราให้เป็นผู้ดีทีเศษได้ยิ่งกว่าการจะ่ทำคือกรรมที่เราทำที่เราผูดเราคิดพระพุทธเจ้าพระธรรมภระริยสงตลอดถึงเทวอารักษ์หรือสิ่งศักดิสิในสากลแลโลกไม่สามารถ ที่จะทาเราให้เสียหายหรือให้ดีเด็ดได้ยิ่งกว่าเราตัวของเราเองตัวของเราเองถ้าหากประพฤติดีปฏิบัติดดตชอบมันประกอบทีนิทิจไรนาทางดีเห็นคนอื่นเขาทําดีเรากวรนามาสอนเราให้เราเอาเยื่ยอหยางทางดีมาประพฤติปฏิบัติเราจะต้องเป็นคนดีขึ้นโดยที่เราไม่ปราชนา จึงเหล่านั้นก็จะต้องเข้ามาสู่ตัวของเราเช่นคนสะพืดชั่วเขาไม่ปราถนาะความชั่วแต่ความชั่วก้อนนี้จากตัวของเข้าไปได้พอเขาสะพืดชั่วเขาทาชั่วจึงว่า ก, กรรมที่เราทําไปทุกสิ่นทุกส่วนเป็นของท้องตนไม่มีบุคคลผู้ใดจะมารับแบกหามไปให้ความชั่วทั่วไปทั่วเราที่เป็นนักสะพืดปฏิบัติจึงควรสงวน รักษายาให้มาแต่ต้องทางกายรายจาใจของเราเพราะความชั่วเหล่านั้นเมื่อมาถึงตัวพวกเราเข้าเราจะได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ความดีทั่วไปที่ยังไม่มีในกายในใจให้กอบโกนหรือก่อรสร้างขึ้นให้กายให้ราจาให้ใจของเราได้รับผลคือความสุขความเจริญเหตุนั้นการปฏิบัติศาสนาไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้อื่น ผูอยู่ในศาสนานี่แหละจะเป็นผู้ได้รับผลความสุขความสบายถ้าหากเราไม่รู้สึกตัวของเราว่าความสุขความสบายมีหรือไม่การประชีวิตปฏิบัติไม่ได้ดข่คิดที่นิพิจนากว่าเป็นทางที่นําพาให้เสียหายทได้ดีอย่างไรจะปฏิบัติไปเท่าไรมันก็เป็นไปไหนได้นะักปฏิบัติหรือนักนะจะทําบําเพ็ญทางจิตทางใจ ต้องสืบสอบเหมือนกันกับนักถ่ายขาดกิจใดที่ควรจะได้เป็นกําไรหรือจะขาดทุนอย่างไรเขาส่งที่นี้ที่เจรณาเชื่ก่อนเขาถึงซื้อมาซื้อมาแพงจะมาขายถูกมันก็ขาดทุนสูญกําไรไม่มีอะไรจะเหลือหรอถ้าซื้อมาถูกขายได้กําไรดีเขาย่อมยินดีและตามหาซื้อกิจกิมีกาไรอย่างนั้น จิตใจของพวกเราทุกท่านก็เหมือนกันหากสืบสอบที่นี้ที่จรณาอารมณ์สัญญาที่ผ่านม า, าทางหูทางตาหรือปลุงขึ้นทางใจอือหน้าตาเรื่องราวของมันทุกการทุกสมัยว่าสินน่งนี้เมื่อจิตตามหรือกระทำไปได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเทอรี่รักษาดูสอนจิตบอกจิตให้กลับมา สูอารมณ์อันใหม่อย่าไปคิดอย่าไปทาอย่าไปพูดได้จริ่งนั้นหากทุกท่านระวังชั่วเอาไว้ไม่ให้ชั่วเข้ามาสู่กายสู่วาราสู่ใจส่วนความดีสิ่งใดที่ควรจะเกิดจะมีขึ้นได้รีบรักษารีบกบระทำบําเพ็ญคนนั้นแหละจะเป็นคนที่โลกทั้งหลายเขาสรรเสริญเขาเลื่นใส่เขายินดีเขาพอใจ ไปสถานที่ใดเป็นสุ ข, ขะโตแต่มีทุกข์ติดตามไปอยู่สถานที่ใดก็เป็นสุ ข, ขะโตมีความสุขอยู่อย่างนั้นโลกก็จะเดือดร้อนวุ่นวายสักขนาดห น, นแต่ใจของท่านผู้นั้นที่มีความดีกอะกวยเอาไว้หรือมีความดีจนหลุดพ้นไปจากอาชวัชิเยต่ะท่านจะมีความสุขอยู่ทุกการทุกสมัยไม่เป็นทุกข์ตามเรื่องโลก ของเขาี่เขาเดือดร้อนเกิดนั้นเรื่องการก่อร่างสร้างความดีด้วยการสั่างสิตสั่างใจซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านทุกคนจะสนใจที่นี่พิจารนาอย่าไปปล่อยวันเวลาให้เสียหายไปเสียตอกัเพราะชีวิตของเรานับวันนับเวลาที่จะแก่เท่าเข้าไปที่จะใกล้สึงความตายเข้าไปถ้าทีนี้พจารณากันจริงจังยางไง ลมหายใจเข้าออกเนั้นเป็นสิ่งที่ยังชีวิตของเราเป็นอยู่ดักรวมหายใจเข้าออกวันหนึ่ง ห, งหายใจสักทีทางเข้าสักทีทางออกสักทีครั้งเราได้ํานึงคานวณไหมคนที่ใ น, ในได้คำนึงคางนวณคีดว่าชีวิตของตนจะยืดยาวยืนยงคงทนไปปีนั้นเดือนนั้นเราถึงจะตกทิศไปฏิบัตบิวันนี้ในชัยนาทีของเราเรายังนมอยู่เรายังเด็กอยู่จะประตฤติ การใดปฏิบัติการใดเราก็จะตกคิดได้เพราะชีวิตของเรายังหยุดยาวอยู่ความคิดเป็นนี้เป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นทางที่ผิดเป็นคนประมาทเพราะเด็กกวาตามหนุ่มสาวผู้เท่าผู้แก่กว่าตามถ้าหากหมดลมหายใจก็าตายด้วยกันทั้งนั้นชีวิตเป็นของสั้นแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เข้าก็าดีออกก็ดี ให้มีสติสติดตามอยู่สม่ำเสมอทางหาเราเข้าหายใจเข้าหรือหายใจออกมีสติจิตใจติดคิดลงไปในทางผิดอยู่ทุกการทุกเวลาหายใจเข้าเราตายหายใจออกเราตายอยู่สม่เสมอไปมีสมนณนะ น, นี้โมรณะสัญญาระจําตัวอยู่ คิดว่าหายใจออกเทาในเข่าตรงตายเนี่ยหายใจเข่าไม่ออกตรงซ้ายเนี่ยคุณงามความดีเดี๋ยวนี้เรามีอะไรเป็นที่อุ่นใจของเราจะต้องสอนเจ้าของเจ้าของจะต้องรื้อร้ อ, อนในการปฏิบัติทางดีทางหัปล่อยเอาไว้มันจะเป็นอย่างไรช่างมันก็ไม่เคยเห็นบุคคลผู้ใดหรืออะไรจะเป็นสิ่นเป็นอันในทางดีขึ้นได้ถ้าปล่อยไว้แล้วแต่มันจะเป็นแากไส ไว่าไรบ้านนาหรือไม่ว่าหนังสือหนังสือหาทางเราไม่เรียนจะมากองกองเทอนกันไว้บนสีตาของเราหนังสือก็เป็นวันมีเวลาที่จะถมมาสู่ความจดจาของเราได้ในนาเีือเชือนทางเราการทำจะให้ข่าวปลามันเกิดขึ้นในนาของเราเป็นถุงจำนาเองมันก็แล้วไม่มีวันมีเวลาที่จะเกิดขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยการ กต่ทำบมเพ็จิตใจของเราที่จะเป็นไปในทางรั่วก็เรานึกคิดติดตามเรียนชั่วที่จะเป็นไปในทางดีก็เพราะเราก่อปวยคุณ ง, งามความดีแนะสอนเป็นของตนไม่ใช่เกิดขึ้น ม, มาไม่มีเหตุมีผลเกตดนั้นทุกท่านทุกคนที่มาศึกษามาบวชเรียนเจียนอ่านในพระพุทธศาสนาเพ่งมีสมณะสัญญาความบริสุทธิ์นึกยิ่ว่าเราเป็น พระภิ่ษุสามเณรหน้าที่ของเราที่จะต้องประกอบคุณงามความดีไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนังนอนมีอย่างไรจะต้องสนใจสอนเจ้าของแนะนำเจ้าของให้ตื่นอยู่ทุกการทุกเวลาจะได้ตั้งหน้าตั้งตาสร้างคุณงามความดีเพื่อความสุขของใจและ ความผนไปจากวิเศษหาเราทุกคนมาบวชในศาสนาฝึกฝนอบรมตนอย่างนั้นตั้งหน้าตั้งตาตั้งยึดปฏิบัติอย่างนั้นก็จะมีความสุขความเจริญแต่ตนของตนคนผู้อืน่นที่เขามองย็นหดีตาเขาได้ยินนีหูก็จะเกิดความรู้สึกคือความเชื่อความเลื่อใยพอใจยินดี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 อยาวได้ลาบตะกระาเ่งบูชาต่างๆแต่ตัวของตัวเองเป็นอย่างไรในคำมินคำนวณแกลไงบมดอยหรือความสวกขของตุเมื่อเป็นเช่นนี้จะร้องไห้จนน้าตาไหลเป็นเลือดแดงออกมาก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะมีผู่เชื่อผู้เรื่นใส่ผู้มีใ จ, จดีศรัทธาเพราะเหตุว่าเราทั่ว ทาหาเรากำจัดตัวของตัวในเรือ่องความชั่วออกไปความดีส่วนใดที่จะเกิดมีขึ้นไดนอุตส่าห์พยายามติดตามแต่ทำบทาาําเพ็ญเราวม่ปนิภาณะเรื่องความสรรเสริญยนยอจากท่านผู้อื่นหลักจะเจอเราไม่ต้องปฎิภาณะเพราเกิดมีมาแก่เราเพราะเหตุใดเพราะความดีเป็นแม่เหล็กสําคัญที่จะดึงดูดความดีที่ มีอยู่ในสถานที่อื่นเข้ามาสู่ตัวของเราเพราะเราเป็นคนดีถ้าหากเราเป็นคนชั่วก็ไม่มีสิ่งอันใดที่จะเหนียนยิ่งกว่าความเหนียนของตัวที่แบบว่าชั่วเพราะไปได้ทั้งไตลมทั้งเหนือลมความเหนีย น, น, นอื่นอื่นจึงมี อ, อยู่ในโลกเขาจะต้องไปตามลมเท่านั้น ส่วนความทั่วของมนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปที่ทําความทั่วเอาไว้สิ่งความทั่วจะเหมนไปทุกทิศทุกทางทีเดียวเกิดนั้นต่างท่านต่างคนต่างคิตได้มาศึกษามาประฤปฏิบัติ <c oughs> ในพระศาสน า, ษาถึงแนะสอนตนเองเธอรู้จักทางทั่วหลีกเลี่ความชั่ว แม้ตัวเองให้ยินดีพอใจในทางหยุดทางดียึดมั่นพื้มั่นผู้บาอาจารย์ที่ท่านเป็นผู้ดีผู้ดีมีสื่อเสียงเัียงนำนำขอวัดปฏิบัติส่วนดีของท่านมาฝึกกายวาายใจของตนเมื่อทุกคนพากัน ได้ยินได้ฟังและนำไปใส่จิตวิญญาณต่างหน้าต่างตาและชั่วบำเพ็ญดีอย่างก่อนบบนับวันนับเวลาที่จะมีความสุขความเจริญเต้าหน้าในทางพระพุทธศาสนาการอธิบายธรรมะก่เน็ันบาทสมควรเปลนเวลา